ฝึกรู้ฝึกสังเกตอ น, นิจจังจากคนใกล้ตัวคนคนหนึ่งจะต้องกลายเป็นใครอีกคนเสมอโดยที่คุณมีส่วนที่เป็นเช่นนั้นไม่มากก็น้อยกลายชิดใครคุณจะได้เรียนรู้อ น, นิจจังจากคนนั้นอ น, นิจจังของความเป็นคนคนหนึ่งมีอยู่สองแบบได้แก่ออ น, นิจจังขาขึ้น กับอนิจ <mister> จ <tumors> ังขาลงทางกายบางทีคุณก็เห็นความสดชื่นบางทีคุณก็เห็นความหมุนหมองทางใจบางทีคุณก็สัมผัสถึงความสว่างบางทีคุณก็สัมผัสถึงความมืดทางความคิดบางทีคุณก็รู้สึกถึงความดีงามบางทีคุณก็รู้สึกถึงความเลวร้ายทางการเจรจา บางทีคุณก็ได้ยินคำที่เข้าใจง่ายบางทีคุณก็ได้ฟังคำสับสนหน้าปวดหัวหากคุณมีอิทธิพลหรือมีส่วนร่วมกับความเป็นอนิจจังขาขึ้นของใครแปลว่าคุณกำลังอยู่กับเขาหรือเธอในแบบยิ่งนานยิ่งรักใคร่กลมเกลียวแต่หากเป็นตรงข้ามเป็นอนิจจังขาลงก็แปลว่ายิ่งนานยิ่งทรมานด้วยกันทั้งคู่ หากคุณทุ่มเทสร้างอนิจจังขาขึ้นและไม่เอาแต่จดจ่ออยากได้อะไรดีๆเท่าเดิมหรือยิ่งกว่าเดิมคุณจะพบกับสิ่งที่ธรรมชาติให้มาเรียนรู้คืออะไรอะไรไม่มีทางเหมือนเดิมเมื่อผิดหวังคุณจะไม่มัวฟูมไฟว่าโธ่เอ๋ยทำไมถึงต่างไปจากเมื่อก่อนขนาดนี้เมื่อสมหวังคุณจะไม่รู้สึกเหลือเชื่อว่าโอ้โห ไม่คิดเลยว่าจะดีขึ้นเป็นคนละคนแต่คุณจะอยู่ในอารมณ์ยิ้มเย็นเป็นกลางเข้าใจและเข้าถึงว่าคนคนหนึ่งจะต้องกลายเป็นใครอีกคนเสมอโดยที่คุณมีส่วนให้เป็นเช่นนั้นไม่มากก็น้อยอยู่ใกล้ใครจริงคนคนนั้นจะให้ความจริงอันเป็นปัญญาในระยะ ย, ยาวกับคุณแค่คุณให้ความสำคัญ ให้การใส่ใจก็จะเกิดสติขึ้นมาทุกทางทั้งทางโลกและทางธรรม